บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติธรรมะในชั้นต่างๆนั้นก็เพื่อมุ่งหมายผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัตินั้นได้แก่ความเกื้อกูลและความสุขซึ่งสามารถสัมผัสได้ ในชีวิตปัจจุบันนี้ด้วยและเป็นผลที่สืบยงต่อไปในสังสารวัติอีกด้วยดังนั้นถ้าหากว่าในการปฏิบัติธรรมะผู้ปฏิบัติไม่สามารถสัมผัสผลในระดับใดระดับหนึ่งแล้วชันทะาอุตสาหะที่จะปฏิบัติสืบไปก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จะผ่อนคลายลงจนถึงละเลิก ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติอีกต่อไปดังนั้นพระธรรมคุณบทสุดท้ายที่เคยกล่าวมาแล้วว่าปัจจตางเวดิตะโบวินโยหิเป็นข้อที่วินญยชนจะพึงรู้เฉพาะตนจึงเป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องพยายามสัมผัสให้ได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมส่วนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างส่วนที่เป็นอิธิบาตภาวนาจึงทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วจะมีผลมีอานิสงส์งมากได้แก่ความพอใจความชื่นชมยินดีในผลแห่งธรรมะเหล่านั้นมีความภาคเพียรพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะต่อสู้ ไปจนกับอุปสรรคกิเลสและอารมณ์อันเป็นอกุศล ต, ต่างๆมีความเอาใจใส่ในหลักการประพฤติปฏิบัติแก้ไขกำหนดทิศทางในการปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักที่ทรง แ, งแสดงเอาไว้ด้วยสายการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาไปแต่และช่วงของการปฏิบัติเหล่านั้นทั้งในส่วนที่เป็นปริยัติคือการศึกษาเรียน และในส่วนของการปฏิบัติตลอดถึงผลที่เรียกว่าปฏิเวทซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงผลธรรมะหลักได้แก่ทานศีลสมาธิและปัญญาซึ่งจะต้องเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยตนเองในด้านของฐานนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลที่ เกิดขึ้นได้ในเวลารวดเร็วอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าผู้ให้จักได้รับการให้ตอบผู้ไหวย่อมได้รับการไหวตอบเป็นตน้นถึงแต่หากว่าบุคคลกำหนดสังเกตพินิจพิจารณาแล้วก็จะพบว่าผลทานที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของตนออกมาในรูปของการทำมาหากินมีลาภผลบันเกิดขึ้นในลักษณะต่าง จนบางครั้งบางคราวที่เรียกว่าเป็นคนมีโชคดีก็ดีการที่มีคนรักเคารพนับถือยกย่องสนิทสนมคุ้นเคยด้วยเป็นผู้มีเกียรติมีฐานะในสมาคมนั้นๆมีจิตใจอ ง, งาอาจกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองเป็นต้นนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานที่เห็นได้และเป็นที่น่าสังเกตว่า คนให้ทานที่ประจักษ์ผลทานด้วยตนของตนจะมีความกระตือรือร้นในการให้โดยไม่กลัวความยากจนเพราะว่าผลของทานนั้นจะกลับมาสนองแก่ผู้ให้ในรูปแบบต่างๆเป็นการรักษาและเพิ่มพูนสถานะในทางการเงินทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นแต่เป็นข้อที่ควรกำหนดสังเกตพินิษพิจารณา ยงเหตุยงผลให้เชื่อมต่อกันให้ได้แล้วจะประจักษ์ด้วยใจของตนว่าแท้ที่จริงแล้วผลทานเป็นผลที่เราได้ประจักษ์ในปัจจุบันนี้เองนอกจากผลที่จะเป็นอนุกามนีคือติดตามเราไปในสัมปราคาเพภายภาคหน้านั้นก็ต้องอาศัยตถาคตะโพธิสัตคือเชื่อการจัดสรุ้ของพระพุทธเจา้าและได้ทรงแสดงไว้เนื่องจา ก, กวันข้างหน้ายัางไม่มาถึง อีกประการหนึ่งทรงแสดงในรูปกิริยาปฏิกิริยาของการให้ทานเช่นทรงแสดงว่าผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพธุ์ผู้ให้ยานชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้แสงสว่างแต่บุคคลใดก็ตามที่ให้ที่อยู่ชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่างดังนั้นในการให้แต่ละอย่าง ถ้าบุคคลกำหนดสังเกตพินิษ์พิจารณาโยงเหตุโยงผลโดยนัยัตที่กล่าวแล้วก็จะเห็นได้ประจักษ์แก่ใจเช่นว่าการที่เราให้ผ้าหรือให้อาหารสงเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนั้นก้อนมาส่งเสริมในลักษณะของสุขภาพพลาณาใหม่ให้มีสุขภาพพลาณาใหม่ดีไม่ค่อยมีโรคภยัคยไข้เจ็บเป็นต้นในชั้นของศีล ซึ่งเป็นผลที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นบุคคลก็ต้องกําหนดสังเกตพินิษพิจารณาโดยนัยา่าต่างๆอย่างที่ทรงแสดงลักษณะอนิสงของศีลไวในที่นั้นๆเป็นนั้นมากเช่นทรงแสดงว่าศีลเป็นกำลังอย่างหาที่เปียบไม่ได้บุคคลผู้มีศีลจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าศีลที่ตนสมาทานรักษาไว้นั้น กลายเป็นกำลังต่อต้านกระแสะกิเลสกระแสะแห่งอารมณ์เอาไว้ได้อย่างรุนแรงเช่นอารมณ์บางอย่างท้าในยามปกติอาจลุกอำนาจแก่อารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อได้สมาทานศีล ร, รักษาศีลไปแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดเอาไว้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ด้วยสำนึกว่าเราเป็นผู้มีศีลศีลเป็นอาภรณ ที่ประเสริฐคือเป็นเครื่องประดับที่ทําให้บุคคลต้องการจะประสบพบเห็นท่านเหล่านั้นข้อ น, นี้พึงดูตัวอย่างหลุงปู่หลวงพ่อทั้งหลายซึ่งว่าโดยเครื่องประดับตกแต่งภายนอกก็ไม่มีอะไรแต่ทําไมาคนต้องเดินทางไกลไปไหว้สการะบูชาท่านหรืออย่างน้อยขอเพียงพบเห็นเท่านั้นนี่เป็นการแสดงถึงความชื่นชมในผลศีลที่ท่านเหล่านั้นได้รักษาไว้ดีแล้ว แล้วศีลเป็นเกราะอย่างมหาศจ ร, รย์ป้องกันพยายนอันต ร, รายในสถานที่ต่างๆซึ่งลักษณะเหล่านี้ผู้มีศีลจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเวลาเราจะไปในที่ใดก็าตามไม่ค่อยหวาดกลัวพยานอันต ร, รายต่างๆเพราะเหตุแห่งภัยแห่งอันต ร, รายนั้นเราไม่ได้ทําไว้ผิดกับคนซึ่งไม่มีศีลมีการฆ่าประทุษรายเบียดเบียนบุคคลอื่นสร้างเวรสร้างภัยกับบุคคลอื่นไม่มาก จะไปในที่ใดก็ต้องมีการระมัดระวังต้องเคลียร์พื้นที่ต้องมีมือปืนรักษาคุ้มกันแม้จะหลับจะนอนก็ไม่ค่อยจะมั่นใจรับประทานอาหารอาหารก็ไม่ค่อยจะย่อยเล้ทั้งไปนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความมีศีลและความไม่มีศีลอีกประการหนึ่งทรงแสดงว่าศีลเป็นอาวุธอย่างยอดเยี่ยมที่จะต่อสู้กับบุคคลอื่นอย่างในกรณีที่ บุคคลได้รักษาศีล ส, สมาทานศีลไปแล้วมีคนมาก้าวร้าวรุนแรงอะไรแล้วก็ไม่โต้อตอบเพื่อรักษาศีลเอาไว้เรื่องเลวร้ายที่ควรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นมันเกิดกลายเป็นธรรมะขึ้นมาในลักษณะที่ว่าชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความสนีทด้วยการให้ชนะการพูดหล่อแหละด้วยคําสั์คําจริงเป็นต้น ซึ่งเป็นความชนะที่ยุติเวรไัยแทนที่จะชนะหักล้างกันด้วยกำลังด้วยอาวุธด้วยสัตว์ตราต่างๆมันเป็นที่ตั้งของเวรของไัยและก็เป็นการสืบต่อผลปาปรกรรมเหล่านั้นที่จะต้องชดใช้กันตลอดไปอันนั้นบุคคลผู้มีศีลจะไปในที่ใดก็ตามมีคนต้องการคบหาสมาคมต้องการพบต้องการเห็นเรามีความชิดจมในบุคคลเหล่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ประจักษ์แก่ใจซึ่งผู้มีศีลจะต้องพยายามตรวจสอบให้เห็นประจักษ์ว่ามันเป็นความงดงามในด้านจิตใจไหมความหวาดกลัวพยานอันตรายต่างๆที่คนอื่นเขามีเรามีไหมและเราสามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆซึ่งโดยปกติคนอื่นสู้ไม่ได้แต่เราสู้ได้นั้นเราอิงอาศัยอะไรเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็จะพบว่านี่คือผลแห่งศีล ที่รักษาจนสามารถคุ้มครองกายกับวาจาเอาไว้ได้แล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงใจทำให้ใจมีความสงบมีความประณีตขึ้นไม่มีลักษณะโหดร้ายรุนแรงอย่างคนที่ไม่มีศีลเข้าประพฤติกระทำกันหรือแม้แต่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีศีลในด้านของสมาธิซึ่งเป็นผลที่พึงประสงค์สำหรับผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเรื่องที่ประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของความสงบในด้านจิตใจสงบจากกระแสของกิเลสจากกระแสของอารมณ์ต่างๆซึ่งตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลในสภาพธรรมดา ร, รดาถ้าหากว่าอยู่ในคันลองของอกุศลแล้วจะตกไปในเรื่องที่น่าคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจมากที่สุด ดังนั้นเมื่อปฏิบัติสมาธิจนควบคุมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้บุคคลจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่การเดินทางแกว่งไปแกว่งมาของจิตน้อยลงแล้วก็โหดสั้นขึ้นในที่สุดจะมาอยู่กับอารมณ์คือความสงบอาการสายไปของจิตจนเกิดความเร่าร้อนอินรนกระวนกระวายไปในอารมณ์ต่างๆก็สงบ ความตรึกนึกด้วยอำนาจกามวิตกคือด้วยความใคร่ความยินดีในสัตว์ในสิ่งของต่างๆก็สงบล ง, งความอาฆาตพยาบาทซึ่งเคยมีคุกรุ่นอยู่ภายในใจความเจ็บใจความผูกเวรตลอดถึงการผูกความโกรธเอาไว้มันเกิดสงบถึงแม้จะมีแต่ในขณะนั้นมันสงบไปอาการซึ่งซงึมหูซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในใจ เวลามาเจอทางตานข้าวของชีวิตมันก็สงบลงไปความฟุง้งกำหนดทิทางไม่ได้ของจิตก็จะสงบและแม้แต่เรื่องบางเรื่องซึ่งเรานึกไม่ออกลังเลสงสัยไม่มั่นใจก็จะสงบระงับลงไปแต่ในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าละดับอารมณ์เหล่านั้นได้เด็ดขาดแต่ยามใดที่สมาธิจิตยังมีอยู่ ยามนั้นอาการดังกล่าวจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตของตนเป็นผลทำให้จิตมีความสงบ ม, มีความเจ็นมีลักษณะประณีตแล้วเมื่อสร้างสมาธิจิตให้บังเกิดขึ้นบ่อยๆจิตจะทำปฏิกิริยาต่อสิ่งเราซึ่งเป็นทางมาแห่งกิเลสโดยอัตโนมัติไปได้เช่นอารมณ์ใดที่ชวนให้เกิดกำนัดจิตระลึกวินิจฉัยตัดสินทิ้งอารมณ์นั้นไปได้ พือเป็นการทำงานของสติของสัมปชัญญะของความพยายามที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนปนัญหาที่จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งคือจิตใจไม่ค่อยสงบเท่าที่สมควรนั่นปนัญหาที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเองทรงใช้ตลอดระยะเวลาที่ค้นคว้าทางเพื่อการจัดสรุนั้น คือจะวิเคราะห์ถึงการกระทำคือความเพียนพยายามของพระองค์หลักที่ทรงใช้ก็มีอยู่สามหลักอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเวลาเล่าถึงเรื่องเหล่านี้ก็จะรับสั่งว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่บาลีใช้คาว่ามีตนส่งไปคือเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะสงบให้ได้ ท้าไม่สงบก็ต้องวิเคราะห์ถึงมูลเหตุแห่งความไม่สงบเหล่านั้นด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรพยายามข้อนี้จะพบว่าการปฏิบัติในชั้นของสมถกรรมฐานที่เป็นปัญหาทําให้คนเกิดความไม่มั่นใจว่ามีได้หรือไม่ได้หรือความสงบจะเกิดได้ด้วยวิธีนี้จริงหรือเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นมาจากการไม่มองย้อนไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะสร้างความสงบ คือความไม่ประมาทความเพียรและเจ็ดจานวนอันแน่แน่หรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือความเพียรพยายามสติและสัมมาชนน่ะว่าในส่วนตรงนี้มีความบกพร่องอะไรอยู่หรือไม่สติยังระลึกรู้ทันอารมณ์อยู่หรือไม่หรือว่ามีความพลังเผือสามารถจับอารมณ์ไปได้นานมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่ามองดูทั้งสามจุด ซึ่งจะต้องเป็นการมองดูด้วยความเป็นธรรมความยุติธรรมไม่เข้าข้างตัวเองแล้วต่อจากนั้นจะต้องวิเคราะห์สภาพจิตที่ทำไมไม่ขยับไปหาความสงบทำไมวิ่งกลับมาหาอารมณ์ภายนอกปัญญาก็จะปรากฏขึ้นวิเคราะห์ตัดสินให้ว่าการที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโทษของอารมณ์ทั้งนั้น ที่ใจเคยเพลินเคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันกันอยู่อย่างํำนวนที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่มัวเพลิดเพลินเก็บดอกไม้แห่งมานอยู่เรามองไม่เห็นโทษของดอกไม้มานคือรูปเสียงกลิ่นรสโภธนาที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจอะไรก็ตามถ้าโทษไม่ประจักษ์แก่ใจคนจะไม่เลิกสิ่งนั้น ไม่ต้องดูอื่นไกลชั้นของกิเลสที่ละเอียดประนีตแม้แต่ชั้นของความประพฤติปฏิบัติอย่างการเล่นตุ๊ ก, กตาในสมัยที่เป็นเด็กาสรร์ใดที่ปัญญามีไม่มากพอวินิจฉัยลงไปไม่ได้ว่าตุ๊ ก, กตาเป็นของเล่นเด็กศาสรนั้นคนก็ต้องเล่นตุ๊ ก, กตาอยู่เรื่อยไปแต่วันใดวันหนึ่งก็ตามที่สติปัญญาเขามีมากพอเ็าจะวินิจฉัยตัดสินลงไปได้ว่านั้นเป็นของเล่นของเด็กแล้วเจะเลิกเล่นตุ๊ ก, กตา หรือแม้แต่การสูบบุหรีการดื่มเหล้าการเล่นการพนันเป็นต้นซึ่งใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าบุคคลไม่ประจักษ์โทษเหล่านั้นถึงใจแล้วจะไม่เลิกซึ่งบางครั้งบางคราวต้องอาศัยปัจจัยภายนอกกระแทกกระทันอย่างรุนแรงสมหรับคนที่จิตใจบาปหยาบชา้าจึงจะสามารถเลิกละเรื่องเหล่านั้นได้ยางที่ท่านเล่าถึงพระเจ้ากรุงพารณาณสีพระองค์หนึ่ง ชอบเสวยสุราอย่างแรงแล้วก็ต้องแก r a m ด้วยเนื้อตลอดกว่าจะเลิกได้นั้นต้องถึงกับลูกชายตายไปคนหนึ่งเพราะความเมาเล่าขาดเนื้อจะเสวยบิดคอลูกโยนให้พวกวิเศษไปปรุงเป็นอาหารแต่พอสางเมาแล้วเรียกหาลูกรู้ว่าตัวเองฆ่าลูกไปเพราะต้องการจะกินแก r a m แล้วแล้วในที่สุดจึงเลิกได้แต่คนที่ใจบาปหยาบช้าขนาดนั้นมันก็มีน้อย ก็ฉะนั้นถ้าหากว่าใช้ปัญญาพินิษพิจารณาไปก็จะมองเห็นโทษในสิ่งนั้นๆและจะเลิกละไปเองพอเลิกละแล้วความเปลี่ยนแปลงทางจิตในชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นไปทานองเดียวกับที่เกิดแก่พระริจ้าทั้งหลายคือเกิดเหนื่อยหน่ายคลายกำนัดแล้วก็สำรอบความพอใจเหล่านั้นออกไปอย่างคนพิจารณาเห็นโทษองสุราแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายสุราเกิดคลายความติดความอยากจะดื่มสุรา และในที่สุดก็สำรอกความอยากสำรองความอยากที่จะดื่มสุรานั้นออกไปจากจิตใจต่อแต่นั้นจิตจะเป็นอิสระแม้จะมีสุรามาวางไว้ถ้าสำรอกได้จริงๆจะไม่อยากดื่มแล้วรู้สึกขยะแขยงในตอนต้นจะสงสารบุคคลที่ยังตกเป็นทาสของสุรายกซึ่งทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ที่ประจักษ์จริงๆคือมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นประจักษ์จริงๆ แต่ถ้าไม่ประจักษ์จริงก็มีลักษณะของหัวเตา่าคือพลุโผ ล, ล, ล, ล, ล่อยู่เรื่อยไปจะเอาจริงเอาจังอะไรนักก็ไม่ค่อยได้ความสงบในทางจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลจะต้องมองเห็นโทษของนิวรณ์แต่ละข้อชัดเจนถ้ายังไม่ประจักษ์ชัดจิตจะน้อมกลับไปสู่ความสงบแล้วก็เวียงกลับมาหานิวรณ์กลับไปสู่ความสงบเวียงกลับมาสูนมาสู่นิวรณ์อีก และในที่สุดก็จะเป็นการต่อสู้กันแต่ในการต่อสู้นั้นเองผูป้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันแต่ละเวลานั้นอะไรได้เชือ้อได้ปัจจัยมาสนับสนุนมากกว่ามันเหมือนกับการรบทัพจับศึกของข้าศึกสองฝ่ายฝ่ายใดที่มีกำลังสเสบียงลำเลียงมีรีพสนสกลไกลมาสนับสนุนมากกว่าควายนั้นจะประเด็ดศึกได้ในที่สุด การต่อสู้ระหว่างธรรมะกับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในแต่ละวันแต่ละเวลาของชีวิตนั้นฝ่ายไหนได้ปัจจัยมากกว่ากิเลสได้เชื้อมากกว่าหรือธรรมะได้เชื้อมากกว่าถ้าหากว่ากิเลสได้เชื้อมากกว่าก็คงอีกนาแต่ถ้าหากว่าธรรมะได้เชื้อมากกว่าพอวันหนึ่งนั้นเมื่อมีความเข้มแข็งมากพอแล้วปัญญาสติก็จะเพิ่มปูนเป็นพลังขึ้น โดยมีความเพียพรผลักดันสนับสนุนให้เห็นประจักษ์ชัดถึงโทษพอเห็นโทษแล้วอย่างที่เคยบอกในชั้นของวิสุทธิเจือวิปัสนาญาณมันจะมองเห็นเป็นภัยเป็นอันตรายรู้สึกรังเกียจขยะขยงเหมือนกับคนไปแอบนอนหลับอยู่ที่กรงเสือตอนมืดมิดพอแสงสว่างปรากฏขึ้นมองไปเห็นเสือจะตกใจรีบวิ่งหนีทันทีเล ความมืดที่ปิดบังเอาไว้นั้นก็เหมือนกับโมหะเรื่องวิชาแสงสว่างที่เกิดขึ้นให้มองเห็นกรงเสือนั้นก็คือตัวปัญญาพอเห็นเป็นเสือจะวินิจฉัยตัดสินได้ทันทีแล้วจะหลีกหนีออกไปไม่กล้ำกลายข้ามาอีกเลซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัยการต่อสู้กันเป็นเวลานา น, นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติไปความสงบความเยือกเย็นความเข้มแข็งความประีต ความสะอาดภายในใจก็จะกุดปรากฏเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นภูมิต้านทานทางใจที่มีกำลังเข้มแข็งในแต่ละระดับซึ่งบุคคลสามารถพิสูจน์สังเกตได้ว่าความอ่อนไหวในอารมณ์ต่างๆก่อนการปฏิบัติสมาธิกับหลังจากได้ปฏิบัติสมาธิมาพอสมควรนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อก่อนรู้สึกจะอ่อนไหวได้ง่าย แต่ปัจจุบันนี้รู้สึกจะเข้มแข็งขึ้นในช่วงนี้จะต้องสังเกตพินิจพิจารณาอีกประการหนึ่งคือในช่วงที่จิตเริ่มประณีตลงมากแล้วนั้นมันเหมือนกับกระดานหรือผ้าที่ซักสะอาดมันกระทบอะไรนิดอะไรหน่อยมันเห็นรอยชัดเจนมากในช่วงตรงนี้จึงมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า กามฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอทั้งนี้เพราะกระทบจิตใจประนีตขึ้นมันมีอารมณ์เพียงเล็กน้อยมากระทบก็จะรู้สึกไม่ยินดีในอารมณ์นั้นซึ่งข้อนี้สังเกตแม้ในชั้นของปริยัติเวลาศึกษาปริยัตอ่านธรรมศึกษาในธรรมในพระใจวิโดกจะมีความรู้สึ ก, กว่าเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจิตใจเราจะเริ่ ม, มจะประณีตไปประณีตลงประนีระนตรงโดยต่างๆ แล้วพอได้ยินคำชาวบ้านพูดกันภาษาธรรมดา ร, ร ม, ดามันรู้สึกเสียดแทงหูมันมีลักษณะหยาบก็ไม่พอใจที่จะฟังคาพูดเหล่านั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็รู้ไว้ประการหนึ่งนั้นว่านั่นคือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันเริ่มประณีตขึ้นแล้วก็ไม่พอใจที่ได้ยินได้ฟังหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์หยาบหา ท, ท่านผู้ปฏิบัติในลักษณะนี้จึงมักจะหลีกเล่นไม่ไปคลุกคลีกับหมู่คณะเพราะอารมณ์จริงๆของท่านนั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่อารมณ์ภายนอกมันกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิสภาคกันคือเป็นข้าศึกต่อกันแต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นสภาพ ค, คือเป็นระดับเดียวกันมันก็อยู่กันได้เกี่ยวข้องกันได้ในชั้นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัย กำลังของสติปัญญาสูงขึ้นจึงจะวิเคราะห์ตรวจสอบได้ว่าที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะไม่ต้องการที่จะเพิ่มปริมาณของกิเลสคล้ายๆกับว่าขัดพื้นกระดาษกระดานไว้ด้วยกระดาษทรายอย่างดีทาแล็กเกอร์อย่างดีเพื่อเอาผงไปโรยมันก็ต้องขัดกันอีกทีหนึ่งทําให้สูญเสียเวลาถนัน แต่ว่าจากการสังเกตของคนภายนอกอาจจะรู้สึกว่าท่านผู้นี้ทําไมเป็นกรรมฐานขี้โกรธสันโดขี้ขอซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าอยู่ในประเภทกรรมฐานขี้โกรธสันโดขี้ขอหรือไม่หรือว่าอยู่ในประเภทที่ต้องการรักษาคุณภาพจิตเอาไว้สรุปแล้วว่าผลในชั้นของสมาธินั้นจะต้องมองเห็นโทษชั้และโทษที่จะต้องมองให้เห็นก็คือโทษของนิวรณ เพราะกิเลสทั้งมวลจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามที่เราพูดกันว่ากิเลสพันห้าตหนาร้อยแปดประเภทที่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจนั้นจะมีลักษณะเป็นนิวร์คือจะออกมาในรูปสส่ของใจไหวยคว้าปรารถนาอารมณ์พรักดันอารมณ์ตามแนวของพยาบาทแล้วก็เสื่องซึมหดถูเป็นอาการที่เราเรียกว่าสิ่งอาการฟุ้งไปแบบบังหวนขวัญ หรือความที่ถูกลมพัดหมุนกับความไม่แน่ใจความเครือบแคลงในอารมณ์ในจิตในสภาพต่างๆที่ตนกําลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นๆมันจะออกมาในแนวนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นโทษที่เห็นจะต้องเห็นที่ตัวนี้ก่อนแล้วเมื่อเราเห็นโทษแล้วมันก็ต้องมองเห็นทางไปคล้ายๆกับว่ามองเห็นกวงเสืออย่างที่ว่าเนี่ยมันต้องเห็นทางสวัสดีจากเสือนั้น ดังนั้นจะต้องศึกษาพิจิตรพิจารณาในภาคที่ตรงกันครับคือความสงบนิวรณ์ทั้งห้าประการซึ่งหมายถึงอะไรความสงบกลางฉันนั้นหมายถึงจิตที่หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ความสงบพยาบาทหมายถึงความหายจากโรคที่เสียดแทงความสงบจากทีนมิทะหมายถึงความหลุดพ้นจากภาวะแห่งธาต ความหลุดพ้นจากอุตจจาระกุจจระหมายถึงการหลุดพ้นจากคุกตรางวิจิกิรชาความหลุดพ้นจากวิจิกิจชาหมายถึงความหลุดพ้นจากทางไกลกันดานหรือว่าการหลงป่าของบุคคลที่ไปติดอยู่ในป่ามันเป็นความอิสระเป็นความโปร่งเบาเป็นความสงบเย็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองดังนั้นพระธรรมคุณบดว่า ปั จ, จตางเวดิตบโปวินญูชิจึงเป็นการเน้นถึงผลของการปฏิบัติเป็นสำคัญซึ่งไม่มีใครจะประสิทธิประสาทให้ใครได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ทรงสดแสดงฐานะของพระองค์โดยเปิดเผยว่าอาขาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นได้เพียงผู้บอกให้เท่านั้นเป็นผู้ชี้ทางบรรททุกข์ชี้สุขเสมสาธให้แต่ว่าการจะสัมผัสผลเหล่านั้น เกื้อกูลแก่ตนในชั้นศีลชัน้นทานชั้นศีลชั้นสนนมาธิหรือแม้แต่ชั้นปัญญาจนหลุดพ้นจากบ่วงมานสยบอำนาจของมานเอาไว้เป็นผลที่ทุกคนจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองและจะสัมผัสผลนั้นด้วยตนเองตามกำลังความสามารถแห่งตนแม้ในชั้นของปัญญาที่ทรงอุปมาเหมือนรัตนะคือแก้วสารพัดนึ หรืออุปมาเหมือนประทีปของโลกก็ถต่ผู้มีปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาเท่านั้นจะรู้สึกประจักษ์ด้วยใจของตัวเองว่าปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตอย่างไรปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างไรถ้าบุคคลเราขาดปัญญาแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรใน อ, อย่างที่ทรงอุปมาแสดงไว้ว่าบุคคลเราถ้าหากว่าขาดปัญญา ขาดการศึกษาการสดับสัตฝังขาดปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตแล้วจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะของโคตาบอดที่เดินไปในป่าทำกลางขวากน้ำหลุมบ่อสัตว์ไรหูเหวต่างๆอันตรายพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ ด, ดังนั้นความเป็นปัจจต่างเวริตบโบวินโยหิของธรรมะ จึงเป็นผลที่บุคคลควรจะปลูกชันทะพยายามแล้วเพียรพยายามปฏิบัติจนสัมผัสให้ได้ในชั้นนั้นๆแล้วจะเพิ่มพูนกุศลธรรมส่วนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเป็นการสัมผัสคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป